การฟังแบบหนึ่งท่านฟังแล้วเก็บเอาเรื่องนั้นอันนี้มาคิดแล้วเลยเป็นความทุกข์โดได้แก้ไขตัวเองมาเป็นกวามทุกข์ซื่อๆมันเป็นอยทางการฟังและนันการปฏิบัติทำ ม, มานั้นมีอยู่หลายอย่างเนผมเคยทํามาพทุทโธนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวตรง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 เมื่อออกไปข้างนอกมีคนมาพูดให้เรามันเกิดพอใจตีใจมันเป็นอย่างไมันเลยแก้ปัญหาตัวเองบอดาพรมสแสวงหาการปฏิบัติธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเองครับบุญม่ไปแก้ปัญหาผู้อื่นแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมต้องแก้ตัวเองก่อน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 วิธีเดินไปเดินมาเดินเบาๆอย่าไปเดินแรงถ้าอยู่ร่วมกันคุติเดียวกันสองคนนอนตื่นทาตัวเบาๆอย่าให้คนอื่นรู้สึกตัวถ้าเราสิโบอยากปุกจยากค้นกันกันออกมาเบาๆเปิดประตูเบาๆล้างหน้าเบาๆหากที่เธอน้ำลายเนยทำเบาๆทั้งนั้นคาว่าเบาๆนีนบมเมนเบาในเฮ็ดค่อยๆบอให้มูบอให้มูหูจักให้ว่าจะไป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 มันมีซองคำกับกันครับให้ทำย่างตัวกาตะมันวานะแต่อย่าเอาตัวย่างของกาวพอรอให้ฟังกามันตื้นเดืกมันหากินมันกินหลายแล้วมันคิดรักกาเนี่ยรักกินหมกเพาแดกคนไปให้ไปนารักกินห่อเข้าค น, คนไปให้ไปนาบ้านคนเปนครับแต่มันตื้นเดืกหากินเก่งแต่มันกินเก่งแล้วรักอีกเสด้วย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 เอาไปใส่ที่สุ่มที่ เ, เย็นเปื่อยเนา่าที่มซื่อบ่งอกมันบ่มีไหนผมว่าคําค ำ, คำนี่ว่ากับหมายถึงว่าเว้าวแล้วบจ่จำจำดรอกจําเอาไปคิดอย่างอื่นบ่เอามาปฏิบัติเมื่ออามาปฏิบัตินั่งกำหมายถึงไม่เข้าเติอคันบ่เอามาปฏิบัติก็เป็นไม่เข้าเล็บครับมันเป็นคําสมมุติที่เอามาเล่าสู่ฟังเท่านั้นซื่อพอเดทรูอ้ออกมาอย่างนั้นนะประมาณ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 บุยของคิดพอดีมันรู้อันนี้รู้ไปให้ว่ารู้ให้หมดนั่นนะครับเรื่องสมมติเนี่ยผมรู้หมดเลยมันเลยบุยเห็นข่มคิดมันรู้ได้อันนี้ยบุษยบุษยเห็นของคิดได้มันรู้ซื่อได้อันเนี <misunderstanding> ้รูร้เรืร่องนี้มันกันเลยเหมดเหมือดคลุกแบบไหว้ทีไหว้เทวดาเสื้อเลือกงามยามดีเนี่ยผมมดแท้ทๆเม่อสงสัยเรื่องพวกนี้มันรู้อันแต่มันบุเห็นของคิดมันเป็นปัญญาอันนึ่ง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 เมื่อไม่เห็นความคิดรู้ความคิดเข้าใจความคิดสัมผัสกับความคิดได้ดีมันนึกมันคิดอนไดก็รู้มันก็เห็นมันก็เข้าใจสัมผัสได้โอ้เรื่องน้อยๆเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่คนพอเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองผมก็เลยโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดมื่นที่ผ่านพัทธมคัณพระสูตรพระเวทนยัยพระพิธรรมรวมควมมาแล้ว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 เมื่อมีคนมีปัญญาคนพบคนเห็นบบเมนปัญญาศึกษาแล้วเรียนจบพระใจไปดกบบุบโบเมนอันนั้นเนี่โบเมนเทพเคยได้ยินแน่พระโอธิระบลาลป่าเรียนจนจบแต่โบเคยดูผมคิดตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคยมาทางกรุงเทพเรียนจบปริญญาเอกได้หลายแผ น, นทุกเกือบตายเนี่ยอันนั้นบบเมนเทศม็นมปัญญาแก้ทุก